เรื่องกุลบุตรผู้มีภริยานอกใจพระสัสดาเมื่อประทับในพระเวลุวันทรงปรารบกุลบุตรคนหนึ่งดังได้สดับมามารดาบิดานำกุลสตรีผู้มีชาติเสมอกันเพื่อกุลบุตรนางได้เป็นหญิงประพฤตินอกใจสามีสามีละอายไม่อาจพบหน้าใครได้เลิกทำกุศลกรรมทั้งหมด แม้พระสสดาตรัสถามกุลบุตรก็แจ้งความนั้นพระสสดาตรัสว่าขึ้นชื่อว่าสตรีทั้งหลายเป็นเช่นกับแม่น้ำหนทางโรงดื่มศาลาที่พักและบ่อน้ำกำหนดขอบเขตย่อมไม่มีแก่สตรีเหล่านั้นบัณฑิตไม่ควรทำความโกรธในสตรีดังนี้แล้วจึงตรัสพระคถาว่า ความประพฤติ ช, ชั่วเป็นมนทินของสตรีความตรณีเป็นมนทินของผู้ให้ธรรมะอลามกทั้งหลายเป็นมนทินและทั้งโลกนี้โลกหน้าอาวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งท่านละมนลทินได้แล้วยอมเป็นผู้หมดมนทินอธิบายคำว่ามนทินของสตรีเพราะด้วยว่าไม่มีใครครบ แม้มารดาบิดาก็ไม่อยากดูแลมวลทินของท่านเพราะด้วยว่าย่อมไม่ได้สมบัติสามได้แก่มนุษยสยสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติอกุศลธรรมเป็นมนลทินยิ่งกว่ามวลทินทั้งหลายด้วยไปเกิดในอบายมีนรกเป็นต้นอวิชชาเป็นมนลทินอย่างยิ่ง ได้แก่อวิชชา8อย่างคือความไม่รู้ทุกขสัจจะทั้งหลายและไม่รู้เหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดในปฏิจจสมุปบาท12โดยสรุปคือไม่รู้รูปนามไม่รู้ความเกิดดับในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละ